Thank you. เราก็ฝึกตนสอนตนกายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่นั่นจิตใจใส่ตามมีความรู้สึกตัวสามลักษณะนีความรู้สึกตัวมีวามกมายมีใจเวลาสวดนอนต์รรมวัดก็จิตใส่ใจตามจะเป็นภาษานุกแก้วนุกขนทองเพื่อให้มันคุ้นเคย ภาษาที่เราพูดเรื่องสติก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดจนสามวันนี้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่พูดไม่ใช่ทำไม่ใช่คิดมีแต่ความรู้สึกตัวเพื่อนไห้ไปมาก็เป็นความรู้สึกตัวคิดเชิงในแสดงออกทางใจก็เป็นความรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกก็คือความรู้สึกตัว ถ้าหัดเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นือนคนถัดขับรถแทักเตอร์คร้เบ็คโคลรถต้องคันคือมือของเขาเขาอยากจะจกจะจับตรงไหนคือมือเขาเพราะมันเป็นชีวิตของเราก็เหมือนกันบางทีเราพูดไม่รู้จักตัวเราแสดงอะไรไม่รู้จักตัวมันก็เป็นอยู่นั่นเสียเวลาเสียเวลาไปกับความหลงเสียเวลาไปความสุข อย่าเวลากับความทุกข์อย่าเวลาปรกับความรักความชังไปอันเดียวไปทางเดียวไปผู้เดียวมันก็ไม่ได้สอนไม่ฝึกหัด ป, ป่าเถื่อนเถื่อนหลอกบุญคุณคิดไปไหนไม่สอนตัวเองในเวลามันผิดมันก็ไม่รู้ผิดหน้าด้านในความผิดหน้าด้านในความทุกข์หน้าด้านในความหลงไปเลยเราจึงสอนตัวเองปฏิบปทาทำเคยสอนตัวเอง เราก็มีมีแต่การเที่ยวอนเราสนุกดีไม่เสียเวลาไม่ว่าถ้าเราเราก็อยู่ด้วยกันนแล้วกายอยู่นี้ใจอยู่นี้สติอยู่นี้แต่มีกายมีใจไม่มีสติก็มีอีกหลายอย่างมาอยู่ที่กายที่ใจมีความหลงความสุขความทุกข์ความรักความยังวิตกกังวลเมองความเกลียดแค้นเฉียง นอกเสียร่างกายเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุก์ปกายไม่เที่ยงโูภไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงความไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงอยู่เช่นั้นความเป็นทุกข์ควเป็นทุกข์อยู่เช่นนั้นได้ประโยชน์จากความไม่ทุกข์ได้ประโยชน์จากความไม่เที่ยงก็มีความรู้สึกตัวความไม่เที่ยงได้ในผ่านความเป็นทุกข์ได้ในผ่านเลยทีเดียว เแวรสังขาลานิจาติยะธาปัญญาจาปัปสติเมื่อใดบุคคลเหตุ ด, ด้วยปัญญาว่าสังขารตั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนอนย่อมหน่อห่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานมันก็ได้อย่างนี้มันก็ผ่านอย่างนีน้ผ่านร้ายเป็นดีผ่านผีเป็นถูกเแต่ถ้าไม่ผ่านตรงนี้มันก็ เสียเวลาเอาความม่เที่ยงก็อยู่เช่นนั้นความทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นเราอยู่ในชีวิตของเราที่เราเป็นอยู่มีแต่เป็นโทษมันแย่เอาความแย่มาเป็นโทษมันเจ็บเอาความเจ็บมาเป็นโทษมันตายเอาความตายมาเป็นโทษแน่นอนที่สุดปล่อยรับเวรนรับกรรมไปเืก็เสียชาติเราคนที่จะ ศึกษาให้มันแก่แข่งในเรื่องนี้มันก็เริ่มต้นไปจากความหลงเนี่ยเมื่อมีความหลงรถของโลกก็เต็มปดาเข้ามาแล้วจึงมาเริ่มต้นตันวหนึ่งว่าเราจะเข้าเดินทางไปทิศใดทางใดต้องมีเข้าแรกมาจึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าเข้าแรกไว้ถูกมันก็ไปปิดผิดมันก็มีเบื้องต้นท่ามกลางเราที่สุดการเริ่มต้นของชีวิตเราเน่ะ มันก็ต้องมีความรู้สึกตัวไปทางหนึ่งความหลงตัวก็ไปทางหนึ่งการทำย่อมนําไปนรกทำย่อมนําไม่เสื่งสุกติีมันก็เป็นอย่างนี้เกิดว่าดีๆเปิดเพื่อนหมดเลยอย่างพระอินทร์ทดลองใจของคนนิทานทำเอามา้าสีตาลสุกลงมาให้คนดูสวยงามบริสุทธิ์ หนึ่งเดียวคนมาดูแล้วสมัยมาทั้งตัวเขากระดุงกระดางไหมดแล้วตอนคนก็บอกว่าเออถ้าจะปากคาบเปี้ยวซะหน่อยด่างๆซะหน่อยจะสวยกว่านี้พระอินทร์ก็ทํามาซะหน่อยเป็นปากคาบเปี้ยวออกมาให้คนดูอีกคนก็ไปดูอีกเออถ้าหางแซมซะหน่อยก็ดีนะเออทำมาซะหน่อยหางแซมกันมาทำไมดูอีก คนก็มาดูอีกเออจะมีลายพาดอ่านสักหน่อยหลังหลายลายสักหน่อยเป็นรูปอ่านสักหน่อยจะสวยกว่านี้่ทําลายพาดอ่านออกมามาให้ดูอีกโอ้ถ้ามีหน้าด่างสักหน่อยก็จะสวยกว่านะเขาเห็นเลยเฮ้ยบา้าเอ้ยคนเนี่ยมา่าของเราสวยๆดางไปหมดเลยศกปกไปหมดเลย ไม่ได้คนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โปนเปไปไปหมดเลยคนยังไม่เชื่อก่อนปล่อยให้มันอยู่นี่ละคนอ่ะเราเป็นคนโปนเปไปหมดเลยความรักความยั่งความสุขความทุกข์ความโคตรโขดเขี่ยแท้จริงจงเรียกว่าคนก็มีหนึ่งเดียวมีความรู้สึกตัวนี่ยเนี่ยบางคนหนีจากความเป็นคนพบชาติใหม่แทนเลยมีผูปเป็นใหม่ ชีวิตอันใหม่เรียกว่านะวคีวันชีวิตใหม่ๆเอี่ยมๆเรียกว่าพรหมจรรย์ตัวเราเองตี ต, วตัวโดเราเองโดยเสียนด้หรือไม่ผู้รูใ้ใครควรแล้วตีตัวเราเราได้หรือไม่อาการกายว่าจะยังอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้อย่างเนี้ยเอาอย่างคนอื่นบ้างเอาอย่างผู้อื่นว่างพุทธานุสติ เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเราพระสาวกทั้งหลายเราพระพุทธเจ้าเราพระสาวกอะไรเกิดขึ้นเคารพพระธรรมความหลงก็เคารพอย่าให้มันหลงอีกความรู้ ก, ก็เคารพน้อมนำเขา้าเราน้อมตัวเราเข้าไปเมื่อเราเลิกถึงพระเจ้าอยู่จงทำตทมามเคารพพระธรรมพระธรรมนั่นแหละทำให้เกิดเป็นพทธเจ้าคือความรู้สึกความระลึกได้ เปลี่ยนความล่ายเป็นความดีเรียกว่าพระธรรมชีวิตเรามันก็เพื่อการนี้นั้นเปลี่ยนให้จริงๆแล้วก็กายใจเนี่ยกายมันก็หลงเปลี่ยนให้ไม่หลงซะใจมันก็หลงเปลี่ยนให้ไม่หลงซะกายมันสุขมันทุกข์มันไม่เที่ยงก็เปลี่ยนให้มันรู้ซะกาหนดรู้โดยการรู้กาหนดรู้โดยการละอย่ารู้ออกไปอยู่อยู่ดีไปจับไปกลมอยู่ ไม่ใช่รู้แล้วก็ละละแบบใดมีทางไปเรื่อยมัดํำเนินไปดำเนินไปมันหลงดำเนินไปในความรู้ไปตรงที่มันหลงก็มีความไม่หลงอยู่ตรงนั้นตรงที่มันทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่ตรงนั้นไปปฏิปทาสัจนาุตตริยะเห็นปฏิปทาุตตริยะเห็นทางอ่าไม่มุตาตารุตยะพ้นแล้ว มันมีหลักจานี้เรียกว่าเรียสัตว์สี่ 4. ตัวเฉลยตัวเกนชีวิตชีวิตเราแล้วก็พ้นไปมันก็ผ่านไปเมื่อไม่มีเกนชีวิตอย่างนี้ก็มไม่ผ่านนะชนอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าตันตามสงันนุคาโยกตอนออนแน คนโกรธคือคนอ่อนแอคนทุกข์คือคนอ่อนแอคนรักคนจังเศร้างคื อ, อนคนอ่อนแอที่บอกการมาจุขนธ์นการโยกไม่ถึงวัดขังวนกับเขาอะไรก็ยอมปาลชัยพ่ายแพ้แต่ความคิดเฉยๆก็ยอมน้ําตาไหลนอนมาดับพ่ายแพ้แล้วปาละชิกไม่มีโอกาสบรรลุธรรมในชาตินี้เลยที่บอการมาจุขนานธการโยโค ความเกินเครียดเกินไปเกงจังจนเกินไปเรื่องง่ายง่ายก็เป็นเรื่องยากเอาแจ้งความหลงความกดความถูกมันไม่ยากไม่ต้องไปอดทนอดก้นไม่ต้องไปดุไปดา่าไม่ต้องไปแสดงง่ายง่ายมาหนักให้เป็นเบาเบามองดูแบบเห็นให้เข้าไปเป็นกบบับอาการอะไรมันเบาเบา ถ้าเป็นล้มันหนักถ้าเห็นแล้วมันเบาทำของหนักให้เป็นของเบาทำของยากให้เป็นของง่ายมันมีอยู่อย่างนี้วางใจต้องวางอย่าไปยึดจันยึดเอามันหนักหนักในความสุขหนักในความทุกข์หนักในความรักตักในความหลงอุปทานกันทั้งฮะ อันแหละเป็นของหนักมันยึดไว้แล้วก็วางได้ไม่เป็นภาระให้มันหนักมี่แต่เบาๆเราก็ทำเองไม่มีใครช่วยเราเราเป็นเองแล้วก็ทำเองทำมารู้่ักช่วยตัวเองนะมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์ชีวิตเรามีแต่เรื่องที่ช่วยเราชีวิตเราเนี่ยเพราะมันซุกซนมันดื้อด้านมัน เป็นพุบปูบต่งางๆอาวาัยภูมิก็มีเตะภูมิก็มีไอ้โลกนี้โลกหน้าประมานในการใช้ชีวิตใช้ใกายใช้ใจใช้ไวถ้ถทษเจงของในทางความคิดในทางการโูดในการกระทำในการกินการบริโภคป่บพกเกดโทษเกิดไปได้ หมาดในความคิดจนสร้างความโกรธความโลภความหลงกลายเป็นโรคกระเพาะอาหารได้ประมาทในการโลกกลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บโซบูรี่ย็นเล้าอายเป็นโรคมะเรงได้เพราะนั้นเราอนะ่ะมันไม่เหมือนอันเดินไม่เหมือนสัตว์ในฉันสร้างมากินใบหญ้าใบตองเขาก็ไม่เป็นโรคกระเพาะเหมือนเราถ้าเราไม่เดือ่อนแดก็โรคภัยไข้เจ็บ เราเราก็สร้างให้เกิดภัยใหญ่เรากันจนไม่มีความปลอดภยัยเรืของคนเราไม่เหมือนนกพิราบอยู่แถวนี่บินไปแล้นก็บินไปเกาตอนไหนก็ก็ไดอ้เห็อนนกตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างขอบสะตะ น, น้นไม่ใช่ต้นไม้เป็นเสาไม้ไผ่ลำเท่าเนื้วมือเนี่ยเอาไปปัก ไว้นกไปงออยู่วนไปให้ไผ่ไม่มีกิ่ง ก, าาก้านสาขามันนอนได้ขนมันก็มีกันโยงกันฝนได้ท่านเราเนี่ยเมื่อหนังกระ벙บางโยงกัดก็ตายตายเพราะโยงกัดมีเหมือนกันต้องสร้างที่อยู่อาศัยมีผ้ามีเสื้อมีอะไรมาส่งมาหฮมถ้าเราไม่มีปัญญาจะมันก็ลําบาก เราก็กระทบกระเทือนต่อสิ่งต่างๆมากมายปุรีก็เอามาสูบเล่าก็ามาจิบ น, นั้นคณังไหนคนเราถ้าไม่ปฏิบัติธรรมา จ, จะเป็นอะไรมันต้องเป็นเปรต เ, เป็นสัตว์โลกแน่นอนถ้าเราปฏิบัติธรรมันก็ไปสวรรค์นิพพานแน่นอนอมิมสัตว์ประเภทใดถึงมากผลนิพพานได้นอกจากคนเราตอนนี้แหละการปฏิบัติการสอนต่อยางการ ความิีติเนี่ยมารับเอาดวงตาไปดูแลตัวเองให้ได้อย่าพากาักนวิ่งหนีเอาความรู้จสกตัวไปถ้าไม่หัดอย่างนี้มันลดของโลกมันลดชาติมันทำให้สัตว์โลกเสพติดเหมือนปลาติดเป็ดติดในความสุขติดในความทุกข์ความรักของจยังงติดในการอะไรต่างๆมากมาย สาละ ก, ก็เอาความชังก็เอาความโสก็เอาความทุ ก, กข์ ก, ก็เอาเอาอันอื่นมาวัดจิตวัดใจตัวเองเอาจิตจิตใจไปห้อยไปแขวนกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นมน่ะใสยวัตถุอื่นจะื่อยน่ะได้ก็อกหักเสียใจค่าตัวตายหลาวิธีสัตว์จะฉันไม่มีการฆ่าตัวตายไม่ไคนเราเนี่ะโง่กว่าสัตว์ เราก็ช่วยกันดีกว่าคนบางบางประเภทนะหลอนตาอยู่ฝ่าคนเดียวนะ่ะจะไหมสามสิบกว่าปีนะ่ะมีกะตีหลังหนึ่งใกล้ๆสลาไก่ไม่มีใครอยู่เพราหนูไปทํารังที่นั่นแต่งูมันก็รู้จักว่าหนูอยู่ที่ใดเพราะมันมีกิน่นแลบเล่นเวลาหายเย็นแลบเล่นแลบเล่นแลบเล่นมันหากิ่นทางเล่นของมัน มัก็รั่วงูอยู่บนกระติมันก็เลื่อยขึ้นไปเอาข้าววัาหนูมาอยู่ในหลังตกลงมามันก็ร้องจูโจวโจวจวโจวถ้างูถ้าหูตกลงมามันร้องจูโจวโจวจวจวก็แต่ตัวเล็ก น, น้อยเท่าแม่เท่าหมวหมูแม่เท่านั้นแต่ร้องลงมาอยู่ในพงไอ้ต้นตับเต่าอยู่ใกลก้กระติ่งดวงตาตะวันแดงแต่ร้องแฉกแฉ่แฉก นนน ห, หนาเขามาเล็งกัดหางูกัดแล้วกัดเด็กกัดแล้วก็เด็กดล่ลองแคะแคะแคะแคะงูก็คาบหนูมันก็ปล่อยใหก้กระแต่กัดทัด้งมาอยู่แล้มันก็เจ็บปาลายข้างหล่เขาวางหนูพอวางหนูหนูก็คลานออกไปมามาช่วยกระแตพองงูก็มาช่วยกระแตหนูก็ค า, า, านไป งูจะตามหนูไปกัดแต่กัดทังไว้แกัดกัดกัดกัดไปตาดูอย่างใส่ใจผนที่สุดงูตัวนั่นเน่ะไม่ไปตามหนูเลยมาสู้กับแต่เมื่อไรงูจะเลื่อยไปกระแต่กัดทังว่าหนูตอนนั้นก็เลื่อยไปเข้ากอไผ่กอดไผ่งูตัวนั้นตัวใหญ่ต้องขดยอมอำนาจของกระแต เมื่อเลื่อยไปได้กระแตกระถางเพราะงูเ <hatten> ป็นหัวกับถางมันอยู่ใกล้กันนะใช่ไหมก็ขดอยู่เลยขดอยู่งูกระแตกระเวงรอบอยู่แกแ้กแกล้แกหู้ก็ไปก็ไปยกระแตเราไม่ปัญญาช่วยกันนะคนหลเนี่ยไปช่วยกันนะเป็นไรบางทีนะสู้กระแตไปได้ฮั่นนาอง ถ้าเราเนี่ยแม้แต่ตัวเองก็มาช่วยปล่อยให้ความโกรธพกงําย่ำมีอยู่คืนหนึ่งวันหนึ่งก็เองไม่ต้อยกช่วยตโดยมันประเสริฐตรงไหนกันคิดเรานะมาบอกให้เห็นความโกรธไม่โกรธนะทําไม่ได้มันทุกไม่ทุกซ้ำเหมือนหน้ามือหลังมือนี่ยมันก็ไม่ยากขนาดนั้นมันอยู่ด้วยกันนี้ความโกรธอยู่ในใจก็เปลี่นใจนั่นแหละเหตุก็ดยุติได้ มันก็ทําเหตุนัน้นปัญหาใดก็แก้จากนั้นเพราะมันไม่แช่อยู่ที่อื่นใจเป็นทุกข์ก็เอาใจไม่เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ก็เอากายไม่เป็นทุกข์เรื่องโซบุรีเลยมันติดเหลอก็อไม่สูบสะเพรไม่สูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพระไม่อยากก็ไม่สูบมองก็ไปอย่างนี้ก็ อ, อยากจึงสูบพรสูบจึงติด เพราะติดจังอยากเพราะอยากจังโศเพราะโศจังติดเพราะติดจังอยากมันเป็นวัฏตะเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสมันอยากวิบากมันติดกรรมคือการกระทําเพราะทำอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะหลงก็เลยไม่รู้เพราะรู้มันก็ไม่หลงเพราะไม่หลงมันไม่ผิดเพราะไมส่สโศกไม่อยาก เพราะไม่อยากก็ไม่เพราะไม่สูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดมันก็ไม่อยากจะไปห้ามความอยากมันห้ามไม่ได้จะไปห้ามความโกรธมันห้ามไม่ได้เพียงแต่เราลู่เึกตัวไปก่อนให้มันเห็นอแถวนี้เราไม่เห็นเข้าถึงถั่วแล้วจึงค่อยเชื่อไขมันก็ไม่ได้เหมือนโรคภัยไข้เจ็บให้มันเกิดโรคแล้วก็ไปหาหมอก็ไม่ค่อยปลอดภัยเราป้องกันไว้ก่อน อะไรที่มันเป็นโทษเป็นภัยป้องกันไว้อย่ากินเหล้าอย่าสบบุรี่อย่าประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็จะเก่งไม่ใช่เราเก่งคนเดียวก็ชื่อคนอื่นด้วยเรามีสติเฮ้มันดีขนาดนี้นาะเขาไปช่วยคนอื่นนะเขามีสติเรารับคงชั่วได้แล้วก็ไปสอนคนอื่นให้เข า, เขารับาคงชัว่ว เราทําความดีแล้วแล้วก็ไปช่วยคนอื่นนะเขาทําความดีเราไม่จิตบริสุทธิ์แล้วไปช่วยคนอื่นนะเขามีจิตบริสุทธิ์เราก็จึงจอยู่ด้วยกันได้ถ้าดีคนเดียวมันอยู่ไม่ได้ต้องช่วยกันจึงมีสถานที่แบบนี้มีผู้สอนมีพระสงฆ์องค์เจ้ามีอบาจกมีบาจกาเราเพื่อที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปด้วยกัน ชาวบ้านก็อยู่ชาวบ้านไปช่วยลูกช่วยหลานช่วยพี่ช่วยน้องชาววัดก็ศึกษาเลื่อยไปทำกนามความดีเป็นตัวอย่างให้กันและกันเนี่ยนะเชิงสมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้ทางประเทศอื่นก็เป็นอย่างอื่นเราถือว่าโชคดีเป็นคนไทยมีศาสนามีพุทธศาสนามีคำทังสอนมีวัดว า, า, าราม เร า, าอยู่ในวัดเนี่ยอยู่ในที่เนี่ยมีคนช่วยเหลือเรานำข้าวปลาอาหารมาให้เราเราก็สะดวกถ้าเราเป็นโจนเ ป, ป็นผู้ร้ายใครจะช่วยเราคนทำความดีเราก็มีคนช่วยเหลือจากพระสงฆ์เนี่ยไปหาหมอก็ไม่้เสียงเงินเสือทองเพราะประเทศไทยถ้าประเทศอื่นให้ได้ต้องเสียงเงิน ใหประเทศไทยเราเราสร้างมาให้ไอ้ตึกสงนะไอ้ตึกพิเศษท่องพิเศษเราใช้ให้อยู่ได้เพลิงเสียเงินเสียทองนี่คือประเทศไทยก็มีพระสงค์อยู่ที่นี้สองสามแสนลูกแล้วก็อยู่ได้เพื่อการนี้ไม่ใช่อยู่เพื่ออันอื่นเรียกว่าเป็นไปเพื่อความร่วพร้อม รูปพร้อมปามาวัดตามาก็ามาได้แม่แต่จางหลงตาไปะยู่จัลัดจางเวลาคนงานวางแผนเขาต้องเอาเหรียญดอลล่าใส่กล่องถ้าไม่เอาดอลล่าใส่กล่องก็ไม่มีจิตนั่งถ้าเอาดอลล่าใส่กล่องก็อยถือเอาผ้าปูนั่งนาวะอ้ า, อางแล้วก็ไปนั่งได้วางแผนเก็เอาเงินใส่กล่องก็เหมือนกับเราไปรับจ้าง เทศไปหาเงินหนาจองก็ไม่ชอบไม่บอกของไม่ทําไม่ทำอย่างนี้ได้ไหมมาเลยไปฟรีเลยมานั่งเลยได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนี้วัดธธรรมของที่นี่เป็นอย่างนี้เลยไหมหลวงตามาอยู่กรุงเทพใหม่เขามีลักษณะแบบนี้มาหาพระเอาของมาให้อานนมาอันนี้มา เครื่องใช้เครื่องเดิมแต่แอ้มปไปหมดเลยก็มาแล้วมาใช่เอามาหอมไม้ก็บอกวันนี้ต้องดื่มไม่เฉล็ดวันนี้นะเอาไว้หอะอรก็ไหววันไม่ได้มันดื่มไม่ได้โยมเอ้โน่นบางดูเป็นแถวอยู่ด้านไหนแต่เครื่องเดิมเยากดื่มอะไรมากมายมันก็ไม่ไหวแล้วมามือเปล่าได้ไหมไม่ต้องเอาอะไรมาไม่ได้ท่านถ้ามาหาพระไม่มีของมาไม่มีที่นั่ง เอาที่นี่รับรองน้อยมีที่นั่งอะ <c oughs> นั่ง <c oughs> เลยมันก็หาดยากเพระนั่นเนี่ยบางทีเราก็มองอะไรที่มันขวางขั้นไปแทนที่มันยากอะไรพ้าก็มีพระสามสิบตัวแดงยาวอะไรมากมายอ่านการศึกก็ฉันเมื่อหนึ่งสองเมื่อบรดีก็ไม่สูกก็จะมาทำ บ, บุญไม่ต้องเอาบรี่มาให้พระหรือว่าท่านทำ บ, บุญแล้วไม่ต้องส่บบริ อะรที่มันเป็นโทษเปนภัยเอามาให้กันแต่นี่บางคนเข้าใจผิดพระอะต้องเอากระติงแดงเอาเอมร้อยสองร้อยเอาบุหรีไปให้พระก็รับได้ด้วยความพอใจเราก็สอนเรื่องหนึ่งเขาก็เอาเรื่องหนึ่งอะไรมันก็ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เราไปสอนทำอยู่ดีเขาไปแจกเครื่องรางของขลังสู้เขาไปได้เราของดางไปสอนเนะียวยกน่ะ ไปสอนคนเรากำลังนั่งสอนธรรมะอยู่นี่พระไปจากไหนไม่รู้ไปป้อน ป, อ น, ปอนแป้นเอาพ้าออกมาให้ควารู้ไปหาแจ ก, กพราหมุดโอ้ซะทุสะทุสะทุเราของเสื้อของไปได้เลยตอนหลงพ่อสอนท่ายกมือจังหวะหนีจากหลวงตาก่อนไปแจกควา